พวกวิปัสนาชั้นสูงในคัมภีร์เนี่ยนะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะนั้นถ้าเราไม่คิดไม่คิดแบบพระรยเจ้าท่านนะเราจะไม่เข้าใจเลยว่าท่านพูดอะไรผมขอญาตเสริมดิน้นครับคือคำว่าวันไหวนี่นะฮะถ้าคนเข้าใจถ้าคนเข้าใจบาลีนะก็อาจจะมองเห็นภาพนะเพราะคำนี้มาจากคำว่าจาัลโตเนี่ยนะฮะ วันไหวเนี่ยตอเราคิดถึงคำมาจราจนดูนะว่าไอ้จจสภาพจราจนเนี่ยนะมันมันสงบไหมมันน่ากลัวมันวันไหวมันกระเพื่อมมันโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเห็นภาพการจราจนในเมืองหลวงที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันวันไหวเมื่อพูจรโตเนี่ยนะภาษานี้จึงพอพูดจรโตนี่เราเราเข้าใจเลย เป็นเจราจนเสร็จแล้วก็ถ้าตรงกันข้ามเนี่ยนะอย่างพระอาจารย์บอกว่าศาสนานี้เนี่ยให้ออกจากความหวันไหวไปสู่ไปสู่ความสงบหือสันติภาพเนี่ยนะฮะแต่แต่ศาสนาอื่นน ะ, ะับสอนให้แก้ความหวันไหวด้วยไปหาความหวันไหวอีกอย่างหนึ่งก็มาแทนน ะ, ะความหวันไหวนั้นดูเหมือนไม่หวันไหวนะสมมติถ้าเราวันไหวด้วย ด้วยโทสะนี่นะก็ไปหาความหวั่นไหวที่เป็นราคะเข้ามาเข้ามาแทนนะแต่ความหวั่นไหวอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุแห่งความหวั่นไหวต่อไปเนี่ยตรงนี้แหละยิ่งยากใหญ่อ๋อนิยนคนหนึ่งลำบากใจมากเรื่องขโมยเข้าบ้านก็หวั่นไหวใจแล้วใช่ไหมก็ไปหาหมาพันตัวใหญ่ๆมาตัวหนึ่งมันก็หวั่นไหวคนละเรื่อง เลิกคิดเรื่องของโมยแล้วมาทุกข์ใจเวลามันเห่าทีหนึ่งนะดังตะนันบ้านไปหมด <c oughs> ก็แก้ปัญหาอันหนึ่งใช่ไหแต่ได้ปัญหาอีกอันใหม่เข้ามาหลายๆคนก็เหมือนกันนะเอออยู่กน บ, บ้านคนเดียวเหงาหน้าดูเลยก็ไปเลยไปหาพวกมาอยู่ด้วยเลยแก้ปัญหาใหม่ไม่มีจบมีสิน้นพวกนี้ก็ส่วนใหญ่แก้ปัญหาด้วยการหาปัญหาเพิ่มนะเรียกว่าเบื่อนายขันหนึ่งก็ต้องการคิดไปหาอีกขัน น, นันึง ก็เราไปคิดอันนีเราไปคิดช่องว่างจนได้อเองคือไม่ต้องไปคิดช่องว่างอันนั้นไม่ไม่มีความจาเป็นอะไรเ พ, ะเพราะว่าคือเราไปคิดมาว่าโรคกับหายโรคไอระหว่าง<ม>หายโรคกับไม่มีโรคมันเหมือนกับไปคิดแบบนั้น <Newman. S 1> คือเขาเขาพยายามคิดในสิ่งที่มันตรงข้ามษ า, าธรรมะเนี่ยนะก็ ถ้าเราคิดให้ดีๆเนี่ยนะมันจะมีคําให้คิดอยู่ว่ า, าวตตะกับวิวัตะแต่คนก็กําลังจะมาคิดตรงนี้อีกไอช่องว่างระหว่างวัตตะกับวิวัตะมันไม่ใช่ถ้าเปรียบอันนี้นะอันนี้คือโรคอันนี้หายโรคสุขภาพดี มันทำมานัสิการถึงโรคปั๊บก็ต้องนึกถึงความหายโรคอย่างอย่างตัววิปัสนาเนี่ยนะเปรียบเหมือนยายาเนี่ยที่บริโภคเข้าไปนีมันก็ไปไปจัดการกับโรคแต่วัตถุ ป, ประสงค์ของการใช้ยาจริงๆเพื่อบำบัดโรคฉันใดวิปัสนาที่พิจารณาวัตตะเนี่ยนะวัตะคืออะไรคือชรากับ ชรามรณะเนี่ยเขาพิจารณาตัวนี้จริงโดยอารมณ์แต่อัธยาศัยเขาต้องการอันนี้วิวัตะคือในผ่านพันในการเนี่ยเขาเรียกยานที่ในระดับสูงนะเขาแบ่งแบ่งตัววิปัสสนาตัวเนี้ยถ้าพิจารณาชรามรณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอาทีนวญ า, านอาทีนวญ า, านเนี่ยนะ ภ้าพิจารณาความดับที่มันตรงกันข้ามเรียกว่าสันติบทยาณตัวปัญญาตัวนี้นะก็จะแบ่งชื่อตามตามนั้นไปแต่ว่าเป็นโดยโลกิยะอยู่ก็ยังเป็นการอนุมานเนี่ยนะเป็นการอนุมานเปรียบเทียบเพราะว่าทำไมจึงยังยังเป็นอนุมานเพราะยังปล่อยตัวนี้ไม่ได้ นะเพราะยังปล่อยเหมือนกับว่ายังยังอยู่ในฝ้าของวัตตะอยู่ไม่สามารถที่หลีกออกจากวัตตะเนี่ยนะั้นอย่างถ้าวิปัสสนาตัวนี้อบรมจนถึงอริยมรรคเนี่ยนะถ้าอบรมถึงอริยมรรคเนี่ยก่อนที่จะได้อริยมรรคคือโคตรภูยานโคตรภูตัวนี้เนี่ยหลีกออกจากชรามรณะโดยอารมณ์ เพราะโคตรภูมินิพพานเป็นอารมณ์จริงๆส่วนอริยมรรคเนี่ยหลีกออกจากภพที่แปดนะตัวของเขาหลีกออกจากอารมณ์ด้วยแล้วก็หลีกออกจากปฏิสนธิในภพที่แปดด้วยหลีกออกจากบาปอากุศลโดยสมุดเฉดเป็นต้นด้วยเนี่ยนะก็เนี่ยอนุภาพของอริยมรรคพันธ์ก็จิตที่มันเริ่มคิดหลีกออกแต่ถ้าหากว่า มันมีเงี้ยถ้าไม่เห็นภัยในวัตฏะอย่างแรงกล้านะยังไงคุณก็ไม่บรรลุนิพพานแน่นอนอันนี้คือกติกาเหมือนอย่างว่าถ้าชอบอะไรนะยที่มันตายด้วยกันไม่ได้อ่ะนะที่มันตาด้วยกันไม่ได้ถ้ามันต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งละถ้าเอาสังขารก็แปลว่าไม่ไม่ยังไงก็ไม่ได้นิพพานแต่ถ้าเอานิพพานยังไงก็ไม่ต้องไม่ติดในสังขารมันมันมีอยู่อย่างนี้แต่ว่า ถ้าได้นิพพานแล้วยังไงก็ไม่สนใจสังขารแต่ถ้าเอาสังขารโดยมากไม่ค่อยสนใจนิพพานและเอาแต่สังขารอยู่นั่นแหละแต่ว่าเริ่มเริ่มผู้ที่เขาเจริญวิปัสสนาจึงเริ่มมาพิจารณาโทษของวัตตะเนีย่ยนะเรียกว่าเห็นโทษของวัตตะเร า, าเโทษตัวนี้เนี่ยมาจากคำว่าอาทีนะวะใช่ไหม พันตัวปัญญาเนี่ยตัววิปัสนาที่เจริญกันก็คือตามดูโทษของวัตตะที่สุดเท่าที่จะจะทำได้ในในวิสุทธิมรรคท่านเปรียบเทียบเหมือนว่ามีภริยาที่เป็นยักษ์อ่ะอันนะมีภริยาที่เป็นยักษ์ทุกคืนต้องไปกินศพทุกคืนเลยนะถามว่า แล้วก็ปกติกังวันเขาอยู่ด้วยกันเขาก็รักกันมากด้วยก็บอกว่าก็มีผู้หวังดีเขบอกแนะนําว่าคุณอยาบภรรยาของคุณนะถ้าคุณไม่อยานะเดี๋ยวป่าช้ามันหมดศพมันจะไม่กินหัวคุณละก็บอกเขาจริงหรือเมียผมดีออกนั่นนะก็บอกเขาก็จัดตารางเวลาให้ดูเลยเชา้าก็บอกรายละเอียดว่าถ้ายักเนะีจะเป็นอย่างนี้เช้าเป็นอย่างหนึง่งเย็นเป็นอย่างหนึง่งค่ําจะเป็นอย่างหนึง่ง คณจับตาดูเอาไปก็แล้วกันดูอย่างนี้นะดูให้มากๆแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะอยู่ได้หรือคุณจะควรจะไปแต่ว่าแนะนำให้คุณออกแต่ว่ายังไงคุณก็ไม่ออกแน่ถ้าคนไม่เห็นโทษจริงๆเพียงพอ้วก็เริ่มจับตาแล้วก็เช้าเย็นค่ำเนี่ยนะกินศพมาบางคืนเนี่ยลืมเช็ดปากมาเนี่ยนะั อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะนะถามว่าหน้าออกหรืออยู่ด้วยหรือจะออกดีก็ออกดีกว่านะอันนี้ถ้าเป็นสามีขี้เมามาตีทุกวันเลยไงเนะก็มาพิจารณาในลักษณะเดียวกันอีกนะก็ทะเลาะกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะโอ้มันมีโทษขนาดนี้แล้วคุณจะอยู่ทําไมนะเคยมีครอบครัวัหนึ่งนะอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้แนะนําแต่เล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีสามีคนหนึ่งนะเขาบนว่าแม่บ้านเข้านะ่อ๊้มันเลวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น พอมาเล่าให้แต่มาฟังก็บอกโอ้ยเร็วมากขนาดนั้นเมื่อไหร่จะหยากันสักทีเขาก็เลิกคุยเลยน่ปัญหาในวัตตะทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะโอ้เรื่องนั้นมันยังงยังไงชวนไปนิพพานเลยนะเลิกเลิกคิดต่อเลยไหนนะอารธีนวะอาทีนวะนิพพิทากับ พย า, ยานเนี่ยนะคือสิ่งเดียวกันพยตูปทานาา น, านวายานอาทีนวยานนิพทญ า, านต่างกันโดยคาพูดโดยพยัญชนะเท่านั้นเองเพ ะ, ะน้นก็บอกว่าทีนี้เราก็ไม่ค่อยเออถ้าเนี่ยเห็นแต่โทษมันชีวิตมันชักไม่สนุกขึ้นเพราะฉะนั้นเขาคำหนึ่งถึงว่าอาการหลีกออกนี่มันดีที่สุดอันนี้แหละที่เรียกว่าฝังวัตตะกับังวิวัตตะเนี่ยต้องเอาไปคิดให้มันเพียงพอจริงๆไม่งั้นเนี่ยนะ ว่าให้นี้พ่านยังไงมันก็ไม่เอาหรอกเชื่อเอนี่ยนะถ้าไม่เห็นโทษของอกามเนี่ยนะหรือถ้าไม่ได้เนคขมมะสุขจริงๆก็ออกจากกรรมไม่ได้เนี่ยนะแต่ถ้าระหว่างที่อยู่กับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นชรา ม, มรณะอยู่เนี่ยนะตอนส่วนใหญ่เราอยู่ในสภาพของคนเมาซะส่วนใหญ่เวลาเกี่ยวข้องกับกับสังขารธรรมเนี่ยนะเราอยู่ในสภาพที่เมาซะส่วนใหญ่ เมาอะไรเมาด้วยเรคิดว่าความกำหนัดมันย้อมอย่างหนึง่งอนนะความโกรธมันย้อมอย่างหนึง่งความรุ่มหลงมันย้อมเอาไว้เพราะฉะนั้นราคาโทสะโมหะเนี่ยมันย้อมย้อมจิตของสัตว์นี่ให้อ่ให้อยู่ในอาการเมาตลอดอ่นะมันก็เลยไม่คิดจะออกจากไอวงการของวัตตะสักทีหนึง่ง แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกง่ายๆนะออกยากมากใช่คืออะไรเหมือนกับว่าโอ้แผ่นดินมันแห้งแรงนะโจรรอบด้านไปหมดอีกพักนึดอกไม้มันงอกมาจากแผ่นดินโอ้สวยดีนี่ไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยก็อยู่ต่อก็มีหลายคนนะเข้าบน ขบอกนะอยู่บ้านทำงานกับนายจ้างนะตื่นแต่ดึกนายก็ด่าบ่อยมากอะไรทำไมคุณไม่ออกอะบอกเงินเดือนมันดีเอาไงกันนี้แต่ว่าไอ้พนามันก็ต้องบ่นให้เราฟังกันนี้ ถึงว่าถ้าหากว่าเราจะทําปริญญาในชาลาและมรณะเนี่ยนะฮะให้ทําปริญญายัางไงอย่างละเอียดละออยังไงอย่างให้เห็นโทษยังไงก็ตามนะฮะแต่ว่าไม่ไม่คิดจะน้อมนี่ไม่คิดจะน้อมที่ที่จะออกจากจากวตานี้ก็ก็ไ ม, ไ, ไม่ได้เลหมดสิ้นกันเลยสมัยนี้เขามีอะไรเนะยจะมีหมออีกแผนกหนึ่งคือหมอว่าด้วยอ่า เกี่ยวข้องกับคนชราโดยตรงเลยนะ ห, หมอคนแก่เนี่ยนะก็ไม่รู้ได้ชื่อหรือยังได้ชื่ออยังคุทุจินเขาเขาได้ชื่ออยังจังเกต <s ac oda> เขากำลังตั้งจะงเอาชื่ออะไรดีนะก็ว่ า, างนั้นแต <s ac oda> ไม่รู้ตกลงได้ชื่อหรือยังคืออย่างามีทันตแพทย์อายุรแพทย์กุมารแพทย์เป็นต้นนะเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องว่าเกี่ยวข้องกับชราเลยโดยตรงเลยนะ <S <s <ac oda> เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญในโรคแก่คนแก่โดยตรงเลยนีย แต่ชราแพทย์ยังแต่ว่า ว, วิวิสัญญาแพทย์นี่มีแล้วใช่ไหมหมอสลบมีแต่มรณะแพทย์อันนี้ตับเลือดยังก็อายุรแพทย์นะอก็อันนี้เรามาคิดดูนะว่า ถามว่าเคยได้ยินไหมว่าแพทย์เป็นพระโสดาบันอันนัอายุคนี้นะพูดแบบฝรั่งเลยฝรั่งที่ไม่ได้ศึกษาพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยนะก็แพทย์เหล่านี้ก็โดยมากก็มาจากฝรั่งก่อนนะต้นตํารับอะ่ะทีนี้ถามว่าในหมอฝรั่งเหล่านั้นมีพระโสดาบันในหมู่วงการหมอเหล่านั้นไหมเขาอยู่กับชรามรณะตลอดเลยกลับไม่เคยได้ยินเลยนะว่าเขาหลีกออกจากสังขารโดยประการทั้งปวงไม่มี นั่นแหละทำยังไงให้คนชรานี่สบายขึ้นดีขึ้นมีความสุขขึ้นเ <c oughs> พราะว่าคนชราในตอนหลังก็ทำงานสะสมทรัพย์กันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะได้ทรัพย์จากคนชราไม่ใช่น้อยเลยถ้าแก้ปัญหาส่วนนี้สาเร็จเ <c oughs> <c oughs> พราะทำงานทุกอย่างก็เพื่อเก็บสะสมเอาไว้ใช้ตอน <c oughs> ตอนชราก็ด้วยเหตุผลหลายประการนะนะด้วยเหตุผลรว ม, รวมๆมางั้นเถอะแต่อย่าล้าว่าถ้า แม้กระทั่งโดยอาชีพเนี่ยนะถ้าไม่มีรายได้เป็นเครื่องตอบแทนก็ไม่มีใครทําอยู่แล้วเนี่ยมันมีวิชาพุทธศาสนาเนี่ยที่ต้องพิจารณาทุกโดยที่ไม่เป็นวัตถุการมตอบแทนใช่ไหมคือไม่มีคืออะไรนะไม่ได้มีเครื่องล่อมีอมิตรเป็นเครื่องตอบแทนตรงกันข้ามเป็นการพิจารณาเพื่อจะออกจริงๆเขาเลยเรียกว่าเป็นการอะไรเนะจริญประเภทสาธารณกุศลใช่ไหม เป็นสาธารณกุศลเจริญกุศลเพื่อออกโดยตรงเนี่ยนะอันนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของเราแต่ในยุคหลังๆมาก็ไม่ค่อยมีคนอยากออกแล้วเพราะฉะนั้นผู้ศาสนาก็เลยหมดนั่นะนะหมดสภาพนะพอก็เอ๊ะเไม่เห็นเดือดร้อนอะไรในคุณมาชวนเขาออกดูนั่นแหละเขาไม่ได้อยากออกสันหน่อยอย่างเงี้ยนะอันนี้แหละลำบากแล้วอันนี้ แต่ถ้าเดือดร้อนเนี่ยเออใช่คนเชิญเดือดร้อนจริงนะก็ก็ลองไปชวนญาติมาศึกษาอริยศาสตร์ดูเถอะถ้ายิ่งเขามีอ่านะโยมก็ถามเขาบอกการนี่ท่านถ้าคนที่มีปัญหาเยอะๆเดือดร้อนมากๆเลยนะที่เขาน่าจะเห็นอริยศาสตร์เร็วนะเขาบองั้นบอกตรงกันข้ามพวกที่มีปัญหามากๆกลุ่มรุมมากๆร่มเร้ามากๆเลยนะ ที่สมใจธรรมะจริงๆไม่ค่อยมากนะนะถ้าได้ผลจริงๆนะพระที่ไปเทศในคุกได้ดีไปนานแล้วนะนะแต่ว่ากลับไม่ค่อยได้ผลอะไรเท่าไหร่นะีนนะก็นี่แหละวัตตะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่ติดคุกวัตตอยู่นะส่วนออกยากมากๆเลยที่คิดว่าเฮ้หลีกออกจากอารมณ์ทั้งหลายแนละ้วมันดียังไง นั้นพระองค์ก็พระอง์ก็เลยยังไม่ได้ชวนที่จะชวนออกในเริ่มตอนแรกเลยนะพระองค์ก็จะเล่าให้ฟังวันนี้ชาติทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะชราทุกข์กขกเป็นอย่างนี้พญาที่ทุกข์เป็นอย่างนี้มรณะทุกข์เป็นอย่างนี้อนณาอาศัยชาติชรามรณะที่มันเป็นอย่างนี้นะก่อให้เกิดโศกกะไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเสียใจอยู่เนืองๆไม่ใช่หรือเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่แค่โศกกะใช่ไหมมันก็ปริเทวะคร่ครําครวญอยู่นั่นแหละ แล้วทั้งเสียใจยทั้งร้องให้คร่ำครวญก็ไม่ได้หยุดมันทุกทั้งกายแล้วก็ทุกทั้งใจอีกไม่ใช่หรือเนี่ยนะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าจะเริ่มชวนออกอะนะจะไปเล่าว่าปัญหาของคุณที่มันมีอยู่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมหมอใช่ตอนนี้เราก็มาพูดถึงไอ้ความเดือดร้อนของเราที่เฝ้าวัตตะอยู่ก็คืออุปายาต ต, ต่อไปถ้าคนที่พิจารณาเนี่ยนะไข้ครวญหรือจเจริญอายตนะมากๆ ก็จะจะเห็นชัดตั้งแต่คำว่าชาติชรา ม, มรณะเนี่ยนะโกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเอาทวารที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเช่นตากับอะไรรูปเอ่อตากับรูปเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นเป็นอายตนะใช่ไหมตาเป็นจักขวายตนะสีก็เป็น รูปายตนะคำว่าอายตนะเนี่ยเป็นบอกเกิดหรอือเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นภาษาไทยไทยเรียกตาน้นาก็ได้นนตาตาเนี่ยอะไรไหลออกมาไม่ต้องบอกว่าขี้ตานะอะไรมนไหลามาอะไรที่มันไหลผ่านต า, น, ตา <laughs> น้ำตาขี้ตาไม่ใช่ ก็บอกว่าใจเนี <infrared noise> ่ยนะก็ก็จริงๆนะถ้าถ้าจะให้เราไปเที่ยวใช่ไหมแต่บอกมีข้อแม้ว่าคุณปิดตาไปนะเอาไหมแน่ใจนะว่าจะไปไม่รู้เขาจะหลอกเราไปที่ไหนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นต้องให้เติร์ตาไปจริงจริงก็ยอมก็ตอนที่เราตาเสียเลยนะคิดจะไปเที่ยวไหมโครงการเที่ยวเพื่อจะไปดูเนี่ยไม่ค่อยมีละ เพราะฉะนั้นตาเนี่ยมันเป็นตาน้าที่ไหลเป็นเรียกว่าเป็นที่ออกของจิตและเจตสิกเรียกว่าภาษาอภิธรรมเรียกว่าจิตกับเจตสิกน่นจิตเจตสิกเนี่ยมันไหลโดยทวารตา เ, เนี่ ย, า ย, ย, าายอาศัยตาของเรานะจิตเจตสิกเราเกิดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาศัยที่มีตานะมันจึงเป็นบอกเกิดของจิตและเจตสิกใช่ แล้วอายตนะอีกชื่อหนึ่งก็บอกว่าถ้าท า, ายตนะคือตานะเป็นบ่อกเกิดเป็นกัณะก็ได้กัณะแปลว่าเหตุเหตุของจิตและเจตสิกแต่ถ้ารูปนะเป็นที่ประชุมอันนี้เห็นชัดเช่นรูปนั้นๆ น, น, นะไปเพื่อประชุมดูสีชนิดนั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมถ้าเช่นสีนั้นนั้นเป็นภาพจิตตกรรมเป็นต้นด้วย ถ้าภาพเหล่านั้นจิตตกรรมนะจิตเจตสิกนยะเกิดโดยที่มีสีนั้นรองรับเนี่ยเท่าไหร่บางแห่งเนี่ยคนไปดูตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าจนค่ําเลยใช่ไหมไปเพื่อจะไปดูสี น, นั้นนะ่ยนะท่านเป็นที่เป็นแหล่งโครโจรของเนี่ยจิตเจตสิกจริงๆนะตากับสีเป็นศูนย์รวมแห่งจิตเจตสิกเนี่ยนะ แล้วก็จิตเจตสิกพวกนี้ก็ทำอะไรทำกรรมทีนี้เมื่อมันทำกรรมเนี่ยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าสอนสอนเรื่องอะไรสอนบอกว่าตานะเป็นสิ่งที่มีชาติชารามรณะตัวของตาเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชาติชารามรณะเป็นปกติเป็นของธรรมดาสีที่เราเห็นก็เป็นสิ่งที่มีชาติชารา มรณะเป็นธรรมดาของของสีใช่ไหมนี้ก็ไล่ลต่อไปว่าตากับสีเนี่ยเป็นที่รวมของจิตเจตสิกแล้วก็มาที่บายจิตเจตสิกว่าจิตเจตสิกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรโศกะมีตาเนี่ยโศกประจําใช่ไหม สีนั้นนั้นเนี่ยเรามีนี่เราโศกประจำเพราะเรื่องนั้นใช่ไหมยงั้ น, น บ, บ่อยไหมจางย์ก็สอนม่าอยนั้นไนมะไม่มีเลยเหรออ๋ออ๋ อ, อ, <laughs> อโศกะนะเศร้าโศกอ่นะก็เดี๋ยวโรกเลยนะยุ่งเลยอ่นะโศกะเศร้าโศกไหม พออาศัยตาเนี่ยนะตาถ้าไปดูภาพบางภาพเนี่ยนะเสียใจยมากเลยนะภาพอะไรที่เห็นแล้วเสียใจยอ่ะ อ, อันนั้น เ, เนื่องจากเพราะตาแท้ๆมันเป็นชนวนเนี่ยนะทําไม่เห็นซะ ก, ก่แล้วเรื่อง อ, นนอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชะตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโสกะนะบางคนเนี่ยโสกะในเพราะตัวตัวสีสีนั้นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโสกะมิใช่น้อยเลยฉะนั้นสรุปว่าทั้งตาทั้งสีเนี่ยเป็นเนี่ย ทวารแห่งโสกะอ่นนะตากับสีเนี่ยเป็นทวารแห่งปริเทวะอ่นนะถ้าเราจะพูดพร่ำพูดท่ำเรื่องอะไรก็เรื่องเรื่องสีนั่นแหละทําไมมันเป็นอย่างงั้นทําไมมันเป็นอย่างงี้บ่นอยู่นั่นแหละแล้วอะไรอีกตาเนี่ย ม, มันมีทุกขกะมีกายะภาษาธะอยู่ด้วยใช่ไหม บางทีดูแล้วมันแสบตานะเพราะต่อตามด้วยทุกขะมันก็ต้องหลับตาหน่อยจึงจะสบายสบายแล้วสีก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมนั์นะแล้วก็อุปาญาต์อุปาญาต์ก็เกิดขึ้นโดยที่มี สีถ้าเราฟังคำว่าสีเฉยๆนะบางเราเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ั้มแต่สิ่งที่เอานะเรายกตัวอย่างว่าตัวที่มรณะแล้วก่อให้เกิดโศกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตอะไรบ้างพ่อตายอันนะี้พ่อก็สีไม่ใช่เหรอถ้าถ้าถ้าพูดตามทวารตานะแม่ตายพี่ตายน้องตายญาติตาย เพื่อนตายลูกตายในที่สุดตัวก็จะตายเป็นยังไงถ้าบอกว่าเนื้อตรงนั้นนั้นมันตายแล้วนะว <c oughs> เอ้าก็ถ้ามันตายที่ขาตายก่อนอนะเป็นไงตาขายตาเนี่ยมันตายไปข้างหนึ่งก่อนยกไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันค่อยๆเน่าหลุดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะ มันไม่ตายทีเดียวนะมันค่อยๆทยอยตายไล่มาอย่างนี้เรื่อยๆถามว่าเป็นยังไงหูจะตายก็เดือดร้อนตาจะตายก่อนก็เดือดร้อนไล่เป็นทวารทวานนี่ก็เดือดร้อนคือในในทุกแห่งเนี่ยนะเวลาพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาว่าตาเนี่ยมันเป็นอายตนะนะมันเป็นที่ประชุมแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตก็ไม่ผิดนะนะมันเป็นศูนย์รวมแห่งวัตถทุกขทั้งมวลนะ แต่เนื่องจากว่าเราทั้งหลายเนี่ยเวลาทุกข์ขึ้นมาเรานึกถึงแต่อาัศ -SA าทของมันใช่ไหมนึกหาแต่อาัศ -SA าทใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเช่นปัญหามันเกิดขึ้นเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นนะเราคิดถึงแต่ว่าถ้าผ่านวิกฤตอันนี้จกสบายคิดถึงแต่ความผ่านไปเลยนะคิดถึงว่าเออเดี๋ยวแก้ปัญหานี้ได้ก็สบายแล้วนะแต่เรื่องทุกข์นี่มีบ่อยมา ก, ก น, นะแต่คิดว่าแก้เดี๋ยวก็สบายคิดว่าเอออีกสักพักจะสบาย คิดว่าผ่านวิกฤตตัวนี้จัดสบายก็คีกันแต่อย่างนั้นนะของเราหลายๆท่านเนี่ยนะก็คงมีหวังอะไรไว้ในใจแล้วใช่ไหมนี่ผ่านตรงนั้นคงจักสบายเนี่ยอเดี๋ยวทนท น, ทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวสบายจริงหรือเปล่า <laughs> แต่ว่า <c oughs> โบราณนะ <c oughs> ท่านเรียบเรียงให้ดีนะท่านบอกว่า <c oughs> มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้ว <c oughs> มาชอบคํานี้มากมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว บอกเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทาําะไหนการทําที่สุดแห่งทุกข์จากพึงปรากฏชัดแก่เราได้อย่างนั้นคำนี้ชอบมากมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนี่มันตรงต่อความจริงมากเลยนะไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยทุกข์ไม่มากนะข้างหน้ามันจะมีแต่ทุกข์มากกว่านี้มากขึ้นมากขึ้นถ้ามันได้เท่านี้ก็ยังดีใช่ไหมว่าตาก็ไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยนะก็ยังพอทนได้ แต่ที่จะหนักกว่านี้ดิมันทนยากเนี่ยนะชีวิตของเรานี่คิดว่าจะเลตอนนี้ดีที่สุดหรือว่ามันจะมีเลวร้ายไปกว่านี้เรื่อยๆเรืยๆผู้การจะดีตอนนี้หรือว่าจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเลเลวร้ายเรื่อยๆเลยนะก็สุขภาพมันเลวร้ายลงเรื่อยๆเรื่อย ขาลงอย่างเดียวนะไม่มีขาขึ้นเลยนะเก็บภาพมาสมมติถ้าถ่ายภาพทุกเดือนทุกเดือนน่นนะถ้าแล้วตลอดชีวิตนั้นแล้วมาประตอดูกันดูนะที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงอายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยนะดูมจะเป็นยังไงเนาะเก็บภาพของเรานั่นะแหละก็แต่ละเดือนนี่ไปร้านถ่ายรูปถ่ายมานะเอาแบบตอนตอนที่ทำงานน่ไม่ใช่ตอนที่แต่งตัวให้มันเรียบร้อยนะ ทำงานเครียดเลยนะว่าเดือนไหนเครียดก็เอาไปถ่ายทั้งเครียดนั่นนะแ่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะดูทําใจได้หรือเปล่าจำไม่นิด <Okay. S 1> ทําใจยากนะนี่นะนี่นี่ชาติที่เป็นมนุษย์นะท่าละลึกชาติได้ตอนที่ชาติเป็นศัพท์ที่ดุร้ายเยจะเป็นยังไงอ่ะละลึกถึงชาติที่เป็นเสือเป็นช้างเป็นหมีเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะสารพัดเป็นเนี่ยนะชาติที่ดิ้นเร่าๆอยู่ในอบายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะโอ้ว่าตะมัน่าออกจริงๆ เนื่องจากว่าอาวิชชาเนี่ยมันปกปิดใช่ไหมอวิชชาปกปิดให้เนี่ยให้มันมีจักสีเอ่อให้มีตาเห็นแค่สีนี่แหละมันไม่ให้เห็นอันอื่นหรอกมันอวิชชาเนี่ยปิดบังอะไรปิดบังทุกในอดีตปิดบังวัตรทุกข์ที่จะมีในอนาคตแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยอมให้อย่างถึงว่าทุกทั้งหลายนี่มีความเบียดเบียนบีบคั้น แล้จริงเราก็เอาเรื่องนีม้มาพูดคุยกันได้นมนานเต็มทีเม่เหมือนกะันนะมาดูหน้า42นะ่ะที่ชื่อว่าอายาสะเนี่ยนะความคับแค้นความแค้นด้วยอัถาวาลลำบากคําว่าอายาสะนี้เป็นชื่อของความลำบากจิตก็เป็นไปโดยอาการตกใจและเศร้าใจความแค้นใจอย่างแรงนันะ ก็คือตกใจเศร้าใจมันก่นฟังคําคําหนึ่งก็บอกสวัสดีความอะไรนะสวัสดีความเศร้าอฟังเออขำลืมกันนั้นนะก็คืออาการที่ตกใจอาการที่เศร้าใจอาการที่ไม่สบายใจอาการที่ลําบากใจทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องรับอีกแล้วนะความแค้นใจอย่างแรงแบบนั้นอุปายาตความ คุณแค้นภาวะของบุคคลผู้แค้นใจเนีนย่นยนะก็เป็นทำไมก็เจ็บใจเจ็บใจเลยนะ <c ười> แต่ก็ในที่สุดนะเชื่อไหมว่าถ้าเป็นคนไทยเลยนะมาแต่งเป็นเพลงต่อไปได้เลย <c ười> ไม่คืนสักทีนะ <c ười> ได้ศัตรูเพิ่มก็ธรรมชาติของเขานะ S 1> <S 1> <S <S เป็นปกติเลยแหละ น, น, นะคือเรื่องบางเรื่องยิ่งอะไรนะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอะไรไม่รู้จะแก่อย่างไงมันก็ความคับแค้นทางใจเนี่ยนะแล้วบางเรื่องเนี่ยมอะไรนะพูดก็ไม่ได้ด้วยถ้าพูดบางถ้ามีคนรับอาบ่นให้ฟังก็ยังมีคนทนฟังอะไรก็ยังดีใช่ไหมพูดก็ไม่ได้แก้ไปอย่างเดียวนะมันแค่เรียกว่าฝีกลัดใจเลยนะอันนี้มันอุยลาบากมาก ก็ที่มีอยู่ท่านหนึ่งที่ปวดหูเนี่ยนะเขารับเสียงดังๆก็บอกเขาปวดหูมากเลยนะแล้วก็บอกอดทนนะคันติเป็นต้นนะเขาบอกคนไม่เป็นไม่รู้รอกประมาณนั้นนี่ไม่เป็นนี่ไม่รู้ร้องเนี่ยนะความเจ็บปวดทรมานนี่มันเป็นยังไงเนี่ยนะส่วนสภาพแขนก็คือภาวะแห่งบุคคลผู้คุ้นแขนสภาพขุนแขนนี้เรียกว่าอุปายาต อุปายานนั้นมีการติดในอารมณ์ต่างๆเป็นลักษณะพยาสติลัคโนเ น, เนี่ยนะคำว่าติดเนี่ยไม่ใช่ติดด้วยอำนาจราคะนะเรียกว่าคิดอะไรมันก็ติดมันก็คล่องไปซะหมดเลยนะคือปัญหาที่เคยไม่แก้ไม่ตกเลยนะยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ปัญหายัางไงแล้วมันจำเป็นต้องแก้ด้วยอะ่ะแล้วคิดปัญหาแก้คิดแก้ยังไม่ออกด้วยเนี่ยนะอันนี้มันจะคับแคนขนาดไหน นะอย่างถ้าเป็นถ้าเราเป็นลักษณะนะถ้าเป็นอย่างอย่างเนี้ยเราคงไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราอ่านศึกษาเรื่องพวกเกี่ยวกับอยู่ในสงครามที่เขากำลังไล่ล่าล้างอะไรกันอยู่เนี่ยเนยะ ป, ปัญหามันมีอยู่แล้วมันแก้ไม่ออกเนยะโอ้โมันโทมนัดมากพวกนักโทษที่มันหนีอะไรบางอย่างอยู่นะั่นพวกนี้คิดอะไรไปมันก็อึดอัดไปหมดเลยนั่นเะนี่ยนะมันคิดไม่ออกหร น, นะ เขาบอกว่านักเรียนเด็กเด็กนักเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะมันฆ่าตัวตายกันมากขึ้นก็เพราะว่ามันแล้วก็มีนะที่ที่อินเดียด้วยอินเดียเนี่ยภาวะของเด็กผู้หญิงที่แนวโน้มไปเพื่อจะฆ่าตัวตายนี่ก็สูงขึ้นเขาบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยนะมันสอบไม่ได้ใช่ไหมพ่อแม่หวังมาก น, นะหาสตังค์มาส่งเรียนแล้วก็หวังว่าลูกคะแนนจะดีแล้วลูกคะแนนไม่ดีนะมันก็เครียดมันก็เดือดร้อนกันมาก แล้วก็มันติดมันค้องไปหมดมันตีบมันตันไปหมดเลยหาทางออกไม่ได้ก็ตายดีกว่า <c oughs> มีอยู่เจ้าหนึ่ง <c oughs> เป็นเด็กนั่นนะ่ะเขาเป็นเด็กเขาเครียดมากขอสตังค์แม่แม่ไม่ให้สตังค์ไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนพอแม่ไม่ให้สตังคนะ์้วเขาเลยคิดจะฆ่าตัวตายเขาก็คิดแบบเด็กๆนะเขาเลยไปขึ้นกระโดดต้นไม้ <c oughs> ขึ้นต้นไม้แล้วก็กระดกมาก็ดังร้องโอ้กเลยอะคิดฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ตายนะมันก็พวกนี้มันติดมันคล้องไปหมดเลยนะถ้าบางคนที่เกิดมาชีวิตมันราบรื่นไปสะหมดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมแต่คนที่บางคนเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าทําไมความทุกข์มันมาใส่เราแต่คนเดียวทําไมมาใส่เราแต่คนเดียวเนี่ยนะเหมือนกับว่าโอ้โหโลกทั้งโลกแบกไว้คนเดียวนี่แหละ พวกนี้มันทุกมากเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพวกนี้ก็ทอดถอนใจเป็นกิจเขาบอกว่าสังเกตอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปายาตบ่อยๆนะสังเกตนะนานๆเขาจะปล่อยเฮือกเฮือกแบบเฮือกแบบไม่ใช่เฮือกแบบปกติที่มันอันนี้นะมันไม่ใช่เฮือกแบบอะไรนะมันหายใจลึกๆนะนานๆครั้งหนึ่งมันไม่ใช่แต่นี่มันเฮือกใหญ่มากเลยนะพวกนี้แหละ แสดงว่ากำลังคับแค้นใจในบางเรื่องเขาเรียกอะไรนะคิดไม่ตกใช่ไหมปัญหา น, านั้นคิดไม่ตกเลยแก้ไม่ตกเลยนะไม่ครูเคยขนาดนี้หรือยังหรือผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้ ว, ลวทำปริญญาแล้วผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้ทำปริญญานี่นะ ก็แต่ละคนแต่ละคนนะถ้าเราไปรับรับเนี่ยนะขอมาเคยคิดหนึ่งนีดนะคือเป็นไงนะถ้าเราเป็นคนที่เรียกว่าเพื่อนมากๆเลยนะแล้วแล้วเราเป็นที่ศูนย์รวมแห่งการตรับทุกนะแล้วปัญหาเนี่ยเขาจะให้เราช่วยปรับทุกเนี่ยนะถ้าเรานั่งฟังแล้วเราเนี่ยถอนหายใจเฮือกเลยนะไม่รู้จะแก้ยังไงของเขาแต่ละคนเนี่ยมันมันมีทุกันคนละคนคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเลยนะซึ่ง แล้วปัญหาแต่ละอย่างไม่ใช่แก้กันง่ายๆนะแต่ละเรื่องมันแก้ยากมากนะก็ฟังแล้วก็แหมถอนใจเฮือกเลยนะกาไม่ออ ก, กนก้ำหนักน่าจะแก้ยังไงเมื่อวานนี้ให้ผู้การไปช่วยแก้ให้ก็แก้ไม่ได้ก็ปัญหาที่ถามไปเนี่ยนะเ <c oughs> <c oughs> พราะแม่ติดการพนันงอมเลยนะ <c oughs> <c oughs> ขี้เมาด้วย <c oughs> ขอสตังค์อทุกวันอย่างเงี้ยนะ